พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระบาลีที่ได้ตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมิสวนังเอตัมมังกัลโมตตะมังการฟังธรรมตามการตามเวลา จะนำความเป็นิริมมงคลมาให้แก่ผู้ฟังเพราะผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองทำที่ได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจ ดีขึ้นไปตามลาดับ 3. จะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทำให้เกิดปัญญาคือความฉลาดที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิและ5จะทำให้จิตใจผ่องใสสงบนี่คืออนิสงส์หรือประโยชน์ ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสตามการตามเวลาก็หมายถึงว่าตามโอกาสโอกาสที่ว่างในสมัยพุทธกาลนี้ก็จะมีว่างในวันหยุดทำงานเช่นศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวนาชาวไร่ปกติก็ต้องไปทำไร่ไถนากันแต่พอ มีวันหยุดก็จะเข้าวัดเพื่อที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะสมัยก่อนนี้ไม่มีที่อื่นที่จะไปหาธรรมะได้เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนอยากจะฟังเทศฟังธรรมต้องไปที่วัดไปฟังพระเทศให้ฟังเพราะคนสมัยก่อนนี้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ธรรมะนี้ จะรู้แต่เฉพาะผู้ที่ศึกษาคือผู้ที่บวชคือพระนี่เองการฟังธรรมสมัยก่อนจึงต้องรอโอกาสโอกาสที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆถึงจะไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมได้แต่ในสมัยนี้ในยุคปัจจุบันนี้ธรรมะได้มี การเผยแผ่ไปในสื่อต่างๆที่มากมายที่ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถเข้าศึกษาได้ตลอดเวลาเช่นในโทรศัพท์มือถือนี่เราสามารถที่จะเรียกธรรมะทั้งพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่านได้ถ้าเราต้องการในสมัยนี้ถึงถือว่าเป็นยุคทอง ของการศึกษาธรรมเพราะสามารถศึกษาได้ทุกวันทุกเวลาวันละกี่ชั่วโมงก็สามารถที่จะศึกษาได้ยิ่งศึกษามากก็ยิ่งจะได้ความรู้มากได้ความเข้าใจมากได้ประโยชน์มากแต่ในสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีสื่อต่างๆอย่างที่มีกันในสมัยนี้ ก็เลยต้องรอวันหยุดทำงานแล้วก็ต้องไปที่วัดเพราะที่วัดเป็นแหล่งที่แห่งเดียวที่จะมีการสั่งสอนธรรมะนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมพวกเราที่เกิดมาในยุคปัจจุบันนี้จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมหาศาลที่สามารถเข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายได้ ได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราเข้าหาเข้าหาฟังเข้าหาธรรมะฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะเราก็จะได้รับประโยชน์ mm. ห้าข้อนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งห้าข้อก็ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราฟังว่าเราฟังแบบไหน การฟังที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเนถ้ากายวาจาใจไม่สงบจะฟังทําไม่รู้เรื่องเพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับการฟังใจจะไปอยู่กับการกระทาอยู่กับการพูดอยู่กับความคิดต่างๆถ้าเป็นอย่างนั้น ฟังไปก็จะไม่ได้รับประโยชน์เลยเปรียบเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงทัพพีอยู่ในหม้อแกงต่อให้อยู่นานเพียงไรก็ตามจะไม่รู้ชนิดของแกงว่าเป็นแกงชนิดใดไม่รู้ว่าเป็นแกงเผ็ดแกงจืดหรือแกงหวานแต่ถ้าฟังทำด้วยกายวาจาใจที่สงบนี้ จะเป็นเหมือนฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นนี้เพียงได้สัมผัสรสของแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ขึ้นมาทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนนี่แหละการฟังธรรมจะให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงคือต้องมีความตั้งใจฟังไม่ทำอะไรทางกาย นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆไม่ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สองวาจาก็ไม่พูดคุยกันต่างคนต่างนั่งอยู่ในความสงบสงบกายสงบวาจาเรียกว่าศีลใจก็สงบคือไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆใจอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัส จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมถ้าสามารถพิจารณานึกภาพตามธรรมที่แสดงได้ก็จะเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาถ้าไม่สามารถที่จะนึกภาพหรือพิจารณาตามได้แต่เกาะเสียงธรรมไปไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆนานานาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ การฟังธรรมนี้สามารถแบ่งเป็นสองระดับได้ระดับสมาธิกับระดับปัญญานั่นเองถ้าไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้ไม่สามารถนึกภาพของธรรมได้แต่ฟังไปแต่เกาะติดกับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เสียงธรรมก็จะเป็นอารมณ์กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้บางท่านเวลาฝึกหัดนั่งสมาธิใบใหม่ไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกแต่พอได้ฟังเทศฟังธรรมสามารถ กาติดกับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสได้เพราะเป็นการกระทําที่ง่ายกว่าง่ายกว่าการที่จะต้องบริกรรมพุทโธพุทโธง่ายกว่าการที่จะต้องคอยดูลมเข้าลมออกเพราะว่าการฟังนี้เป็นสิ่งที่เคยทํามาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้เราฟังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการฟังธรรมจึงเป็นวิธีที่ง่ายกว่า บริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกท่านที่ยังไม่สามารถมีกำลังของสติที่จะบริกรรมพุทธโธได้หรือที่จะดูลมหายใจเข้าออกได้ก็สามารถใช้การฟังเทศฟังธรรมเป็นอารมณ์กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ธรรมะการฟังธรรมจึงมีประโยชน์สองระดับด้วยกันระดับแรกก็คือถ้าฟังไม่เข้าใจแต่ยังฟังอยู่ก็ติดอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าสามารถนึกภาพหรือพิจารณาตามได้ก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมา นี่คือวิธีการฟังเทกฟังธรรมจำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะความสงบของกายวาจาใจนี่เปรียบเหมือนภาชนะที่จะรองรับธรรมะนั่นเองถ้าธรรมะเปรียบเหมือนกับอาหารเวลาที่เราจะรับประทานอาหารเราต้องมีภาชนะใส่อาหาร ถ้าเราไม่มีภาชนะนี้เราไม่สามารถที่จะรับอาหารมาได้รับมาได้ก็เพียงแค่กามือเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้ามีภาชนะใหญ่ๆเราก็สามารถตักอาหารใส่ภาชนะนั้นได้อย่างเต็มที่ชั้นใดการที่เราจะรับอาหารคือธรรมะที่เป็นรดแห่งธรรมที่เหนือกว่ารดทั้งปวงได้ เราจึงต้องมีภาชนะรองรับถ้าเรามีภาชนะรองรับแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนจะได้รับประโยชน์เหมือนกับได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารนั่นเองถ้าเราไม่มีภาชนะไว้ใส่อาหารเรามีแค่ฝ่ามือเราก็จะรับได้เพียงนิดเดียวอาหารที่เราได้ ในฝ่ามือก็จะไม่ทำให้เราอิ่มแต่ถ้าเรามีภาชนะมีจานหรือชามแล้วเราตักอาหารใส่จานหรือชามเราก็จะมีอาหารมากมายที่พอเรารับประทานแล้วจะทำให้เราอิ่มกันฉันใดถ้าใครมีภาชนะลองรับธรรมะอย่างสมบูรณ์คือ มีกายวาจาใจที่สงบกายวาจาสงบเรียกว่าศีลศีลก็มีหลายระดับศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยบเจดอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับภาชนะที่มีขนาดต่างๆกันศีลห้าก็เป็นภาชนะที่เล็กกว่าศีลแปศีลแปดก็เป็นภาชนะที่เล็กกว่าศีลสิบ ศีล ส, สิบก็เป็นภาชนะที่เล็กกว่าศีลสองร้อยยี่ิบเจ็ดผู้ที่มีศีลมากก็จะมีโอกาสที่จะรับพระรับธรรมะได้มากกว่าผู้ที่มีศีล น, น้อยส่วนสมาธิก็มีหลายระดับระดับที่ระดับที่สงบชั่วคราวกับระดับที่สงบอย่างยาวนาน สมาธิมีสองระดับคือคณิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธิผู้ที่มีคณิกะสมาธินี้จะมีจะเป็นภาชนะที่เล็กกว่าผู้ที่มีอัปปนาสมาธิเพราะที่มีอัปปนาสมาธินี้จิตจะตั้งมั่นได้นานกว่าจิตที่ได้คณิกะสมาธิคณิกะสมาธิท่านเปรียบเหมือนกับสมาธิแบบงูแลบลิ้น สงบปั๊บแล้วก็ถอนออกมาได้เดียวเดียวแต่นี่เป็นเรื่องปกติของผู้ปฏิบัติเวลาเริ่มปฏิบัติใหม่ๆสติมีกำลังไม่มากก็ต้องได้เพียงแต่คันธิกะสมาธิก่อนนั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบ แต่สงบได้เพียงปร๊บเดียวก็จะเด้งออกมาเพราะกำลังของสติที่ดึงจิตให้เข้าไปนั้นหมดกำลังสู้กำลังของกิเลสตัณหาที่คอยดึงใจให้ออกจากความสงบไม่ได้แต่ถ้ามันฝึกสติอยู่เรื่อยๆมันนั่งสมาธิอยู่ไปเรื่อยๆต่อไปก็สามารถที่จะพัฒนา กานิกะสมาธิให้ขึ้นเป็นอัปปนาสมาธิได้พอได้อัปปนาสมาธิเวลาจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบจะสงบได้นานกว่าเป็นสิบสิบนาทีขึ้นไปสิบยี่สิบสามสิบนาทีหรือถ้ามีกำลังมากก็เข้าไปในเป็นชั่วโมงก็ได้หรือบางท่านฤาษีบางท่านนี่เข้าฌานได้เจดวันสิบห้าวัน นี่คือพลังของสมาธิพลังของความสงบตั้งมั่นของใจผู้ที่ได้เข้าถึงระดับฌานแล้วจะเป็นผู้ที่สามารถรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ฟังธรรมปั๊บนี้สามารถบรรลุธรรมได้เลยดังที่เราคงจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังในในประวัติ ครั้งสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนเป็นช่วงแรกเวลาทรงแสดงนี้พระองค์ทรงมุ่งไปไปหาพวกนักบวชทั้งหลายเพราะทรงเห็นว่าพวกนักบวชนี้เป็นผู้ที่มีภาชนะที่จะรองรับธรรมนั่นเองนักบวชนั้นมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิมีฌานระดับต่างๆ พระ อ, องค์เลยไม่สอนขารวาดญาติโยมในยุคแรกๆ ก, การประกาศธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชานี้พระ อ, องค์ทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีนี้ก็เป็นนักบวชที่เคยติดตามรับใช้พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับเป็นนักศึกษา คอยเรียนรู้อะไรจากพระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าทรงหยุดการอดพระกายาหารเนื่องจากทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นพระปัญจวัคคีย์ก็เลยเกิดความเสื่อมศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าก็เลยยากไม่ได้ติดตามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ พระอนุตตสัมมาสัมโภทิยานที่ทำให้พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระองค์ก็มีความเมตตาทรงคิดถึงพระปัญจวัคคีพอได้ทรงตัดสินพระทัยว่าจะนำคำสอนนำพระธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัรเรื ก็ทรงเห็นว่าไม่มีใครที่จะพร้อมเท่ากับพระปัญจวัคคีนั่นเองเพราะเห็นว่าพระปัญจวัคคีมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิในระดับฌานเป็นมีเป็นผู้ที่มีภาชนะที่ใหญ่เพียงพอต่อการที่จะรับธรรมะอันอันประเสริฐของพระองค์ได้พระองค์ก็เลยไปหาพระปัญจวัคคี ซึ่งทาธรรมดาแล้วผู้ใหญ่จะไม่ไปหาผู้น้อยถ้าผู้น้อยตัดสินจะไม่ติดตามผู้ใหญ่จะไม่ไปงอ้อแต่นี่พระองค์ไม่ได้ไปงอ้อพระปัญจวคัคคีแต่ไปด้วยความเมตตาสงสารถ้าไม่มีพระองค์สั่งสอนจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยพองเลยไม่ถือสา ในเรื่องของพระปัญจวัคคีถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราเราก็คงจะไม่ไปยุ่งกับมันถ้ามันทิ้งเราเราจะไปยุ่งกับมันทําไมแต่นี่พระองค์ไม่ได้มองที่ประโยชน์ของพระองค์พระพุทธเจ้ามีประโยชน์เต็มพระไถยแล้วได้ความสุขระดับบร ม, มสุขแล้วนิบบานังบรมังสุขขังแล้ว ไม่มีใครที่จะมาเติมความสุขที่มีในพระไถยของพระองค์ให้มีมากกว่าที่พระองค์มีอยู่แล้วได้ดังนั้นการที่พระองค์ไปโปรดพระปัญจาวคีนี้ไม่ได้ไปเพื่อที่จะให้เขามาให้ประโยชน์กับพระองค์เลยแต่ทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะสามารถรับธรรมอันประเสริฐได้และเป็นผู้ที่มีความปรารถนา อันแรงกล้าเหมือนกับพระองค์ที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีตอนตอน้นพอเห็นพระพุทธเจ้าก็สองจิตสองใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีกล้าก้ากลัวกลัวใจหนึ่งก็ไม่อยากจะไปหาเพราะเสื่อมศรัทธาในตัวพระองค์แล้วตั้งแต่ถึงได้แยกตัวออกมา แต่เนื่องจากพระบรารมีของพระพุทธเจ้าที่ส่งฉายแสงออกมาพอทรงเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแทนที่จะเดินหนีก็รีบเข้าไปแสดงคารวะตอนรับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตอนรับเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ส่งสอนพระปัญจวัคคีสอนพระอริยสัจสี่สอนมรรคแปด พอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเาสร็จหนึ่งในพระปัญจวคีก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีคือในบรรดาพระปัญจวคีทั้งห้านี้ถึงแม้ว่าจะไม่สมาธิเหมือนกันมีศีลเหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถที่จะน้อมเอาธรรมเข้าสู่ใจคือปัญญานี้มีไม่เท่ากัน มีพระบัญชาวกีมีพระอัญญาณโกนทัญญารูปเดียวที่สามารถพิจารณาตามนึกภาพของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่พระปัญชาวกีได้จึงเป็นผู้ที่บรรลุ ธ, ธรรมเป็นผู้แรกบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนเป็นพระอริยสงสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าคือพระอัญญาณโกนทัญญาแต่พระ อีกสรูปพรพปัญจภาพปัญจวคีอีกสี่รูปที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปพินิษพิจารณาด้านนึกภาพไม่นานก็สามารถที่จะบรรลุธรรมตามพระอัญญาโกนธัญะได้พอพระองค์ทรงแสดงพระธรรมอีกครั้งหนึ่งคือทรงแสดงเรื่องของอนัตตลักษณสูตร เรื่องของสัพเพธรรมาอนัตตาสงสอนว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มีตัวมีตนพ อ, อได้ยินได้ฟังพระปัญจวัคคีทั้งห้าก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์พร้อมๆกันเลยเออนี่คือเรื่องของภาชนะที่จะรองรับธรรมพวกเรานี้ฟังธรรมจักกปะปวัตนาสวดกันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ฟังธรรมะต่างๆของพธธระพุทธเจ้ามามากมายก่ายกองแต่พวกเราทําไมบรรลุไม่ไม่บรรลุธรรมกันก็เพราะว่าภาชนะที่เราไปลองรับธรรมมันมีหรือไม่มีนั่นเองอาจจะมีเพียงฝ่ามือคือศีลก็ไม่บริสุทธิ์นศีลห้าก็ยังไม่บริสุทธิ์อย่ว่าแต่ศีลแปดศีลสิบหรือศรรนะีลสองร้อยี่สบเจ็ดสมาธิก็ยังฟุ้งซ่านน นั่งสมาธิยังไม่สามารถเข้าสู่จุดที่สงบได้นี่แหละคืออุปสรรคที่ทําให้ทำไมสมัยนี้ผู้ฟังธรรมทั้งหลายไม่สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกับสมัยพุทธกาลเพราะมีภาชนะรองรับไม่มีไม่เหมือนกันนั่นเองสมัยนี้มีแต่ฝ่ามือไม่มีจานไม่มีชาม สมัยพุทธกาลนี้มีฝามมีจานมีชามในระยะแเดือนแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี้พระองค์ทรงไปโปรดพวกบรรดานักบวชทั้งหลายจึงปรากฏมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรห้าสรูปทำไมเรารู้ว่ามีหนึ่งพันสองอห้าสิบรูป เพราะว่าในวันเพ็ญเดือนสที่เราเรียกว่าวันมาคะบูชา8ดเดือนหลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ปดเจดเดือนไม่ใช่8ดเดือน8ถึงส2บสองก็สี่สิบสองถึงสก็อีกสมบวกกันก็เป็นเจดเดือนระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นปรากฏมีพระอาหารหันต สาวกหรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิศ ต, ต่างๆโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อนคือพระอานารตสาวกเหล่านี้พอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมและบรรลุธรรมและขอบวชเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้กระจายกันไปคนละทิศคนละทางให้นำเอาธรรมะอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ อย่าไปทิศเดียวกันสองรูปให้ไปทิศละรูปอันนี้เป็นอุบายในการกระจายธรรมะให้กว้างขวางให้กว้างไกลจึงให้พระอาหานที่ได้บรรลุแล้วนี้แยกทางกันไปไม่ให้ไปพร้อมกันเพื่อที่จะได้นำเอาธรรมะนี้ไปเผยแผ่ได้อย่างกว้างไกลนั่นเองแล้วพอท่านไปเผยแผ่ธรรมะ พอมาถึงวันเพ็ญเดือนสามใกล้จะถึงวันเพ็ญเดือนสามท่านก็มีความรู้สึกอยากจะมากาพพระพุทธเจ้ากันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนแล้วก็มาพบพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามคือในวันมากา บ, บูชาที่จะถึงในระยะสองเดือนข้างหน้านี้อันนี้ก็เป็น ทำไมเราถึงรู้ว่ามีพระอาหารหันตสาวกถึง 1,250 รูปก็เพราะว่ามีการจดบันทึกและมีการประกอบพิธีกันอยู่ทุกปีนั่นเองทุกๆปีเราจะมีประกอบพิธีสำคัญๆอยู่สามพิธีด้วยกันคือวันวิสาขาบูชาวันอัสาหาบูชาและวันมาฆบูชา ก็เป็นวันที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสู้กับการเผยแผ่ธรรมและการบรรลุธรรมของพระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลายนั่นเองเพื่อที่จะได้เป็นการ อ, อนุรักษ์รักษาประวัติอันประเสริฐนี้ไม่ให้หายไปจากโลกนี้เราจึงต้องมีวันสําคัญเหล่านี้ไว้เพื่อเตือนสอติเตือนใจ หรือไว้เพื่อสั่งสอนอนุชนรุ่นหนังที่ไม่รู้เรื่องราวที่สำคัญที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่มีการประกอบพิธีเหล่านี้กันต่อไปก็จะไม่มีใครรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครจะไม่รู้จักคุณค่าอันประเสริฐของพระธรรมคำสั่งคาสอนว่ามีคุณค่าอย่างไร จะไม่รู้ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากน้อยเพียงไรเราจึงมีวันสำคัญทางศาสนากันเพื่อให้เราได้มาน้อมลำลึกถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่นานๆจะมีเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งในโลกนี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ ไม่ได้ตัดสู้กันแบบง่ายๆเหมือนกับการเรียนจบปริญญาเอกในทางโลกทางโลกนี้ใครอยากจะจบปริญญาเอกก็ขอให้มีความขยันเรียนไปไม่เกินสิบปีนับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปก็สามารถที่จะได้ปริญญาเอกกันแต่การจะได้ปริญญาเอกทางธรรมคือการได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้านี้ ต้องใช้เวลาเป็นกับกับคำว่ากับหรือการ น, นี้ก็เป็นเวลาที่เขียนได้ด้วยตัวเลขไม่ได้มันยาวนานมากเอาล้านมาคูณล้านก็ยังไม่ถือว่าไม่ถึงเซี่ยวของกับแล้วนานๆจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาซักองหนึ่งมีผู้ที่สำเร็จทำระดับปริญญาเอกของธรรม คือเป็นผู้ที่สามารถพบทางสู่การหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสรัรูคนอย่างพวกเรานี้จะไม่สามารถที่จะรู้ทางอันนี้ได้ด้วยตนเองเลยคนส่วนใหญ่นี้จะต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาพบทางสู่การหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดคือมาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัสรู้อะไรก็ตัสรู้มรรคแปดหรืออริยาาสัจสี่นี่นี่แหละคือทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีใครรู้กันมีคนคนเดียวเท่านั้นในบรรดาของมนุษย์ที่มีจำนวนมากมายกายกองที่สามารถรู้ได้ด้วยตนเอง แต่พอพระองค์ได้ทรงตัดสรู้แล้วพอเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนถ้าผู้ฟังนี้มีภาชนะรองรับก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทันทีเลยบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกได้ทันทีเลยนี่จึงเป็นที่มาของวันประสูตรตัดสรู้ปรินิพานวันวิสาขาบูชา แล้วสองเดือนต่อมาหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้ก็ประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่พระปัญจวาคัคคีพอพระปัญจวัคคีได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมกันเป็นพระอริยะบุคคลกันขึ้นมาทันทีแล้วต่อมาอีก ส, สมเดือนหลังจากต่อมาอีกเจดเดือนหลังจากวันเพ็ญเดือน8ก็มาเป็นวันมาคาบูชาวันที่ พระอาหารหันต์ 1,250 รูปเนี่ยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสาวรธทิตต่างๆโดยไม่มีการนัดหมายกันมาก่อนและเป็นการนัดพบกันเป็นครั้งเดียวในในในพุทธสมัยจะไม่มีการมารวมตัวกันแบบนี้โดยที่มีพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ จะมีการมารวมตัวครั้งเป็นจํานวนมากก็ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันธทปารณิพานทรงมาสแสดงคารวะมาเฝ้าพระสาลีละของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีการประชุมของพระอรหันตสาวกสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จดับขันธ์ไปแล้วจะมีพระอรหันต์ห้าร้อยรูปด้วยกัน ที่จะมาช่วยการสังขายนามาทบทวนมามาทบทวนพระธรรมคำสอนต่างๆที่ได้มีการจดจำกันไว้เพื่อที่จะได้ทำให้ถูกต้องถ้ามีความจำที่คาดเคลื่อนกันก็มาปรึกษากันว่าใครจำได้อย่างไรแล้วก็มาตัดสินกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสังขายนา เป็นการรวบรวมเอาธรรมคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ต, ตลอดระยะเวลา45ปีนับตั้งแต่วันที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกไปจนถึงวันสุดท้ายของพระชนชีพของพระพุทธเจ้ามีคำสอนมากมายก่ายกองแล้วก็มีผู้คอยจดจำกันหลากหลายด้วยกัน ซึ่งการจดจํานี้ก็ย่อมมีการคาดเคลื่อนบ้างเป็นธรรมดาเพราะความจําของคนเราก็มีโอกาสที่จะจําผิดบ้างจําถูกบ้างแต่ถ้ามีหลายๆายคนช่วยกันจําเมื่อมาทบทวนกันก็จะสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าความจําของใครผิดคาใจคําจําของใครถูกอาศัยว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างไร ถ้าเสียงส่วนใหญ่ว่าเป็นอย่างนี้คนที่จำที่จาผิดก็จะมีเสียงส่วนน้อยกว่านี่คือวิธีรักษาพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าในยุคแรกๆในยุคสมัยที่ยังไม่มีการเป็นการมีตัวอักษรไม่มีการบันทึกธรรมะเป็นตัวอักษร เพราะสมัยก่อนเน้นไม่มีการศึกษาเหมือนกับสมัยนี้สมัยก่อนนี้คนเขาไม่มีการไม่มีการอ่านออกเขียนได้หรือคนที่จะอ่านออกเขียนได้ก็จะเป็นคนส่วนน้อยคนที่เป็นคนที่มีฐาน ะ, ะคนที่เป็นกษัตริย์อย่างนี้ถึงจะมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเร่มเรียนแต่คนส่วนใหญ่นี้จะ เป็นชาวนาชาวไร่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจะไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะไปศึกษาร่ำเรียนได้เพราะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนมากมายเหมือนสมัยนี้สมัยนี้เรามีโรงเรียนมากพร้อมที่จะสอนคนทุกระดับให้อ่านออกเขียนได้กันแต่ในสมัยโบราณ น, นี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นสมัยนี้ก็เลยต้องอาศัยการจดจา การจดจําพระธรรมคําสอนนี้ก็มีประโยชน์สองอันด้วยกันคือประโยชน์อันแรกก็คือช่วยอนุรักษ์รักษาพระธรรมคําสอนไม่ให้เลือนหายไปประโยชน์ที่สองคือผู้ที่จดจํานี้จะได้รับประโยชน์คือเวลาจดจํานี้ก็จะต้องมีสติมีสมาธิถึงจะสามารถจดจําได้เวลาจะท่องพระสูตรแต่ละพระสูตรนี้ก็ต้องใช้สติ ใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาศัยการท่องพระสูตรนี้เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวได้สมาธิจากการท่องพระสูตรต่างๆเหมือนกับสมัยนี้เราสวดมนกันมนก็คือพระสูตรต่างๆนี้เองพระธรรมคาสอนที่เป็นภาษาบาลีที่เราสวดอิติปิโสภักกวาอารหังสัมมาสามพุทโธเนี่เรากําลังสวดบทพระพุทธคุณ พระคุณสมคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างแต่เป็นภาษาบาลีเราเลยไม่รู้ความหมายแต่เราได้ประโยชน์จากการสวดคือถ้าเราสวดบทพระพุทธคุณหลายๆรอบใจเราก็จะสงบได้เหมือนกับการฟังเทศฟังนานๆใจก็สงบได้ถ้าเราสวด บทพระพุทธคุณหรือสวดบทพระสูตรต่างๆท ร, รมาจากกับปวัตนสูตรสติปัฏฐานสูตรสวดไปนี้ต้องใช้เวลานานเกือบชั่วโมงสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีถ้าใจอยู่กับบทสวดมนต์ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นประโยชน์ของผู้ที่จดจำท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ได้สมาธิเป็นข้อแรกข้อที่สองท่านจะได้ปัญญาด้วยเพราะว่าท่านสวดภาษาเดียวกับที่ท่านพูดนั่นเองสมัยพุทธกาลใช้ภาษาบาลีพูดใช้ภาษาบาลีฟังกันพอฟังทรรมเป็นภาษาบาลีคนฟังก็เข้าใจภาษาบาลีพอจดจำก็จะได้ความรู้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนมากคแปดว่ามีอะไรบ้าง มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเขาไม่ต้องแปลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปเหมือนพวกเราเพราะว่าเขาพูดภาษาเดียวกับภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมคือภาษาบาลีนั่นเองไม่ต้องมาแปลว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรเขารู้ทันทีว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแต่พวกเรานี่เป็นคนไทยแล้วเราก็เอาภาษาบาลีของพระพุทธเจ้ามาศึกษากัน แต่เราไม่ได้เรียนรู้ภาษาบาลีเราเอามาจดจำ ม, มาท่องจำกันเฉยๆเราก็เลยได้เพียงแต่สมาธิเท่านั้นจากการสวดมนต์สวดภาษาบาลีแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายเราจะได้ปัญญาได้ความรู้ว่ามรรคแปดปีอะไรบ้างสมาทิฐิคืออะไรความเห็นที่ถูกต้องสมากํรมมันโตคืออะไรความคิดที่ถูกต้อง สัมมาสังก ป, ปเป็นอะไรความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมมันโตคืออะไรการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาคืออะไรการพูด ท, ที่ถูกต้องสังมม า, าวว อ, อาชีโวคืออะไรคืออาชีพที่ถูกต้องสังมมาวายาโมคืออะไรความเพียรความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติคืออะไรการระลึกรู้ที่ถูกต้อง สัมมาสมาธิคืออะไรคือความตั้งมั่นที่ถูกต้องออันนี้เราต้องมาแปลกันถ้าไม่มีคําแปลเราจะไม่เข้าใจความหมายเราก็จะเป็นเหมือนนกแก้วเคยเห็นนกแก้วไหมเราสอนให้พูดแก้วจา๋าแก้วจา๋ามันก็พูดแก้วจา๋าแก้วจา๋าพอเราหยิบแก้วให้มันมันก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเพราะมันกินไม่ได้มันแต่ถ้ายื่นกล้วยให้มันมันก็ความมับเลยะ พวกเราก็เหมือนกันมาสวดมนต์กันมาสวดคำเทศคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เอาไปปฏิบัติกันพอสวดเสร็จก็ไปหาขนมกินกันไปหากาแฟดื่มกันเราก็เลยไม่ได้เข้าถึงตัวธรรมะกันเข้าถึงแต่ชื่อของธรรมะเหมือนกับนกแก้วพอได้พอได้แก้วก็ อ, อัญญามณีอันมีคุณค่าก็โยนทิ้งไปเพราะกินไม่ได้ พวกเราต้องต้องการขนมนมเนยต้องการลาบยศสรรเสริญต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายกันที่สวดกันส่วนใหญ่ก็สวดเพื่อให้เราจะได้หาลาบยศสรรเสริญได้ง่ายๆกันเสียมากกว่า mm hmm. เพราะเราไม่เข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ที่เราสวดถ้าเราเข้าใจความหมายเราจะรู้ว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกาย ที่เรารักกันที่เราชอบกันนี้มันเป็นยาพิษมันไม่ใช่เป็นยาโอสถที่จะรักษาใจมันจะเป็นยาพิษที่จะมาทำลายใจของเราให้ทุกทรมานไปอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจความหมายของบทธรรมะที่เราสวดกันนั่นเองถ้าเราเข้าใจเราจะได้ยินคำว่าทุกข์ผาสัพเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สับเบสังขาราทุกขาสังขานทั้งหลายเป็นทุกข์นสังขารคืออะไรก็รูปเสียงเกล็ลดนี่แหละที่เราหลงรักชอบกันมันมาในรูปแบบของสังขารคือสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นสังขารคือมันเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์บ้านช่องนี้มันเป็นสังขาร มันประกอบขึ้นมาจากส่วนประกอบต่างๆซึ่งถ้าลงไปโดยหลักใหญ่ก็เป็นดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเลยมาประกอบให้เป็นวัตถุต่างๆเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆพอเราเห็นแล้วเราก็ชอบอยากจะได้ขึ้นมาเพราะเราสามารถหาความสุขจากมันได้ชั่วคราวแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว เราไม่รู้ว่ามันเป็นอนิจจังสัพเพสงขาลาอนิจจาที่มันจะต้องมีวันเสียนั่นเองเวลาเราซื้ออะไรมาใหม่ๆนี่โอ้โหเราสุขสบายกับมันซื้อรถยนต์มาใหม่ๆขับไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลารับใช้เราได้อย่างดีแต่พอใช้ไปใช้ไปวันดีึ้นดีเอายางแตกซะแล้วแบตเตอรี่เสื่อมซะแล้วจะสตาร์ทก็ไม่ไปซะแล้ว ตอนนั้นทุกขามันเริ่มเข้ามาหาเราแล้วโดยไม่รู้สึกตัวนี่แนละนี่คือคาสอนที่พวกเราสวดกันสปเปสังขารานิจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสปเปสังขาราทุกขาเมื่อมันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกเวลาที่รถมันเสียมันทำให้เราทุกเวลาแฟนที่แฟนที่เรารักเสียจากเราไปมันก็จะทำให้เราทุก หรือเวลาแฟนที่รักเราเปลี่ยนไปจากเคยรักเรามาไม่รักเรามันก็เป็นสังขาราอนิจจานี่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เราไม่เข้าใจกันเราสวดกันทุกวันเหมือนนอกแก้วเลยสัพเพสังขาราอนิจจาเพสังขารเปลาี่ยนาาแปลงอันนีเราไม่เขาใราสวดกันทุกวันเมือนนแก้วเลยสัพมพสัา ม, มา ม, มายว่าอย่างไร ถ้ามาคิดสัหน่อยมารู้สักหน่อยมันจะทำให้เรากลัวเราจะไม่อยากเข้าใกล้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่เพราะเรารู้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปนั่นเองใจ้ลาบมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมไปหาเงินมาได้เดี๋ยวก็ใช้หมดพอเงินทองหมดไม่พอใช้ก็เดือดร้อนกันทุกข์กันก็ต้องไปดิ้นนนหากันใหม่ ถ้าหาไดก้ก็เลื่อนความทุกข์ไปข้างหน้าแต่ถ้าหาไม่ได้ปั๊บความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่สะไม่ต้องใช้เงินทองได้เราจะไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองเช่นพวกนักบวชนี่เขาไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเงินทองเขาไม่ต้องใช้เงินทองเขาอยู่แบบขอทานได้เขาอยู่ตามมีตามเกิดได้ใครมีอะไรให้เขาเขาก็รับ ไม่มีให้เขาเขาก็อยู่กันไปตามอัตภาพของเขาเขาก็ไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองไม่เหมือนที่พวกที่ต้องใช้เงินใช้ทองพวกนี้จะต้องทุกข์กับเรื่องเงินทองอยู่เรื่อยๆเพราะกังวลว่าจะไม่พอใช้นั่นเองกังวลว่ามันจะหมดแล้วมันถ้าดูสภาพสังขารของร่างกายมันก็จะต้องรู้ว่าอนาคตนี้มันไม่ค่อยดีเลยเพราะเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บนี่ถ้าไม่ ถ้าไม่มีเงินทองสำรองไว้ต่อไปนี้จะไม่สามารถหาเงินทองได้ถ้าไม่มีวิธีที่จะหาเงินทองโดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องทำงานก็ต้องมีหลักทรัพย์ต้องมีอะไรมีที่ทางมีสมบัติอะไรไว้สำหรับมารองรับแต่ถ้าเป็นพวกที่หาเป็นพวกมนุษย์เงินเดือนนี่จะลำบากเวลาต่อไปเวลาอายุมากเขาก็จะให้ออกจากงาน พอให้ออกจากงานแล้วทีนี้ก็จะไม่มีรายได้แต่รายจ่ายมันไม่หยุดรายได้มันหยุดแต่รายจ่ายมันไม่มีวันหยุดเพราะว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายไว้เลี้ยงดูร่างกายอยู่ตลอดเวลาต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคถ้าขาดเงินทองก็จะขาดปัจจัยสี่ได้เมื่อขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็อาจจะต้อง ทุกยากลําบากหรือถึงแก่ความตายได้ถึงแก่ความตายโดยเวลาอันไม่ควรควรจะอยู่ต่อไปได้อีกนานแต่เมื่อไม่มีปัจจัยสีมาทํานุบํารุงก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้นี่คือปัญหาของการมีร่างกายของการที่เราต้องพึ่งร่างกายในการหาความสุขต่างๆ แต่ถ้าเราได้มาศึกษาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้เรียนรู้ว่าเราสามารถหาความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งได้หาความสุขที่ไม่ต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะมาให้ความสุขไม่ต้องอาศัยร่างกายอันนี้เราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตาย มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้าะลากยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกล็ดลดผลจพระความสุขอันนี้เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจะรู้นี่เองทรงค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เองที่ทรงตัดทรงแสดงไว้ว่านัตถิสันติปรังสุ ข, ขงัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์นี้มีเพียงอันเดียวเท่านั้นคือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากลาบยศสรรเสริญเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพานี้มันเป็นไม่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีมาได้มันก็มีไปได้มีเกิดก็มีดับมีเจริญก็มีเสื่อม แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะสามารถรักษาไว้ให้อยู่คู่กับใจไปได้ตลอดเวลาถ้ามีธรรมะที่เป็นเครื่องสร้างและเป็นเครื่องรักษาอยู่กับใจความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะอยู่ไปอย่างถาวรจะไม่ต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณไม่ต้องอาศัยร่างกายร่างกายแก ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรความสุขได้ยังมีอยู่ยังรักษาได้อยู่ยังเก็บไว้ได้อยู่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่เวลาตายไปก็ยังมีความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่เวลาที่ร่างกายตายไปนี้มันไม่ได้เป็นการจบสิ้นของชีวิตเราชีวิตเราอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ผู้รู้สึกนึกคิดที่เราเรียกว่าจิตใจ ผู้รู้สึกนึกคิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปผู้รู้สึกนึกคิดถ้ามีความสุขอยู่ในใจก็ยังสุขต่อไปถ้าไม่มีความสุขก็ต้องทุกต่อไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักกันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้จักวิธีหาความสุขแบบเดียวกันทุกคนหาความสุขเหมือนกัน แล้วก็ต้องมาทุกข์มาร้องห่มร้องไห้เหมือนกันทุกคนเพราะเราไปหาความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเราไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพลาที่เป็นของชั่วข่าวเป็นเหมือนควันไฟเวลาเราไปเที่ยวกันเราก็มีความสนุกสนานกันพอกลับมาบ้านความสุขสนานนั้นก็หายไปหมด ถ้าอยู่บ้านานานๆเข้ามาก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวรู้สึกเศร้าทันทีจึงต้องออกไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าตาบใดร่างกายยังสามารถตอบสนองคำสั่งความอยากได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าตาบใดที่ร่างกายเริ่มไม่สามารถตอบสนองความอยากได้เวลานั้นะจะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ คนเรานี่มุ่งไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันทั้งนั้นโดยเฉพาะทางประเทศทางตะวันตกนี่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องาศาสนาเขาสนใจแต่เรื่องหาราบยศรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแต่พอเขาเข้าสู่วัยชราเนี่เขาไม่สามารถหาความสุขได้ถึงแม้จะมีเงินทองก็ตามแต่เงินทองไม่สามารถ สั่งให้ร่างกายแข็งแรงสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรเหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ตอนนั้นเขาก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจกันจนถึงเดี๋ยวนี้เริมีการคิดที่จะให้ออกกฎหมายเพื่อให้ค่าตัวตายได้ให้หมอช่วยให้ยาฉีดยาให้ตายได้เพราะว่าอยู่ไปมันก็ไม่มีความสุขอยู่ไปเพราะมันทุกข์ทรมานใจนี่แหละ เพราะว่าไม่รู้จักทางออกไม่รู้จักว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่หากันอยู่ในขณะนี้อันนี้ถ้าไม่มีใครมาพบกับพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีใครรู้หรือแม้บางคนที่พบกับพระพุทธศาสนานก็ไม่รู้อีกเพราะไม่ศึกษาอย่างท่องแท้ไม่ศึกษาเข้าไปถึงแก่นศึกษาเพียงแต่เปลือกเท่านั้น ก็เลยเห็นศาสนาว่าเป็นเหมือนเครื่องที่จะมาสนับสนุนในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เ, เช่นคนตกงานบางทีก็ต้องไปหาพระไปกราบพระไปจุดธูปเทียนออขออธิษฐานขอให้ได้งานได้การคนทํากิจการไม่เจริญก็ไปขอพระคนไม่มีแฟนก็ไปขอพระ คนไม่มีลูกก็ไปขอพระเลยไม่เข้าใจว่าศาสนาไม่ได้มีหน้าที่อย่างนี้หน้าที่ของศาสนาคือพยายามมาห้ามให้พวกเราอย่ามีแฟนกันอย่ามีลูกกันอย่ามีเงินมีทองกันให้ไปบวชกันแต่ไม่เข้าถึงแก่นเลยไม่เข้าใจเข้าถึงเปลือกเท่านั้นคิดว่าศาสนามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะสามารถดนบันดาลสิ่งต่างๆที่เราต้องการอยากได้กันแล้วคนที่ไปขอบางคนก็ได้บางคนไม่มีสามีไปขอสามีก็ได้สามีบางคนไม่มีลูกไปขอลูกก็ได้ลูกแต่มันไม่ได้เกิดจากการขอหรือให้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเวลาที่มันจะได้มันก็ได้ไม่ไปขอมันก็ได้อยู่ดีแต่คนไม่รู้กันคนเลยก็คิดว่าโอ้นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก ก็เลยไปล่ำลือกันพอคนที่อยากได้อะไรก็เชื่อกันก็แห่กันไปใช่หไหมวัดพระแก้วนี่วัดโสธรนี่คนกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าไปลองสำรวจดูดีดว่าคนที่ไปขอนี่ได้กันกี่คนนั่นไม่ได้กันทุกคนหรอกคิดว่าคนที่ได้นี่อาจจะเป็นส่วนน้อยเสียมากกว่าส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้ก็คิดว่าเออยังไม่ถึงเวลาของเราร อ, อ, อไปก่อน ก็เลยยังมีความหวังอยู่นี่แหละเป็นความเข้าใจผิดมองหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผิดไปหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มาสอนมาบอกทางให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ได้มาสอนให้พวกเราติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกันเพราะว่าถ้าเรามาติดอยู่กับลาบยศ ส, สรรเสญ เด็ดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปจิตใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะล่องไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาที่ไหนมีการตั้งคันมันก็จะไปเกาะร่างกายอันใหม่ในครนเพื่อที่จะได้ร่างกายอันใหมน่นี้มาเป็นเครื่องมือหาราบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่ คนที่คนทุกคนที่มาเกิดนี่มาทําแบบเดียวกันทุกคนใช่ไหมไม่ต้องสอนเลยมีใครต้องสอนไหมว่าให้หาเงินทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเมื่อแต่เด็กทารกมันก็ยังหาเลยเชื่อไหมออกมาจากท้องแม่มันก็เริ่มร้องแล้วร้องหาความสุขแล้วพอมันไม่มีน้ํามันหิวน้ํามันก็ร้องแล้วพอหิวข้าวมันก็ร้องแล้วพอได้กินข้าวกินน้ํามันไม่ได้มีรูปไม่มีเสียงให้ได้ดูได้ฟังมันก็ร้องแล้ว พ่อแม่ก็ต้องหาหาของเล่นมาให้ดูใช่มมีปลาเงินปลาทองแฝนอยู่บนเปเวลานอนขึ้นไปเห็นปลาเงินปลาทองมันก็มีอะไรให้ดูมันก็เลยเพิดเพลินมันก็เลยไม่ร้องพอพอไม่มีเสียงก็ต้องหากระดงกระเด่งมาแขวนไว้ให้ได้ยินเสียงกระดิงนี่แหละคือความหิวของจิตใจที่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าตราบใดเรายังหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจะหมกมิตนกายอยู่เราจะต้องกลับมาหาอยู่เรื่อยๆไปไม่มีวันสิ้นสุดการที่เรามาเกิดนี้ปริมาณจํานวนพบชาตินี้มีมากมายกายกองไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขสามารถเปรียบเทียบได้ด้วยการประมาณว่าในแต่ละพบแต่ละชาติที่เรามาเกิดนี้เราต้องร้องไห้กันทุกคนถ้าเราเก็บน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวมกันนี้ ท่านบอกว่ามันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเองดเกตดีย ว, ว่าชาตินี้เราร้องไห้กันถึงขวดน้ำเลยยังน้ำขวดที่เราเดินกันนี่น้ำตาเราเต็มขวดกันเลยยังเราจะต้องกลับมาร้องกันกี่ครั้งถึงจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจํานวนพบชาติที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อที่เราจะได้นำไปปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวคอยดึงให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆนี้เองนี่แหละคือหน้าที่ของพระพุทธศาสนาหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่สอนเราบอกเรา ให้รู้จากทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางออกทางทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เราต้องปฏิบัติก็มีอยู่สามข้อใหญ่ๆนี่เองคือหนึ่งการทาบุญทาทานสองการรักษาศีลสาม 3, การบําเพ็ญ จ, จิตตะภาวนาการเจริญพัฒนาจิตใจให้สงบให้เกิดปัญญาขึ้นมา ถ้าเราได้ทำสามข้อนี้แล้วเราก็จะสามารถยุติความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะฉุดรากให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายได้อยู่เรื่อยๆนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันต้องศึกษากันไม่ใช่มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ล่ําให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโตยิ่งตอนนี้ใกล้เลือกตั้งก็ขอให้ได้รับเลือกตั้งกัน ถ้าเป็นข้าราชการก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันอันนี้เป็นเรื่องของการดึงให้ตนเองติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าต้องการออกจากกองทุกข์แห่งการวนเวียนว่ายตายเกิดต้องหาวิธีว่าทำยังไงที่เราจะได้ไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกวิธีที่จะกลับไม่กลับมาเกิดอีกเราก็ต้องเลิกหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการที่เราจะทําได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องบวชกันเวลาบวชก่อนจะบวชเราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีไปให้หมดเพราะเงินทองไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่จะกําจัดการเวียนว่ายตายเกิดเงินทองนี้กลับเป็นอุปสรรคเป็นเหมือนกับสมอเละ เรือนี้เวลาเขาจอดเขาต้องทอดสมอเรือเรือถึงไม่ลอยไหลไปตามกระแสน้ำแต่เวลาที่เขาต้องการให้เรือออกไปเดินทางไปไหนมาไหนนี่เขาต้องถอนสมอเรือถ้าไม่ถอนสมอเรือนี้เรือจอดอยู่กับที่ไปไหนมาไหนไม่ได้ฉันใดจิตใจของผู้ที่ต้องการออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นต้องถอนสมอเรือ ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเพราะมันเป็นตัวถ่วงตัวดึงจิตใจไม่ให้ไปปฏิบัติธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นพระราชาโอรสมีมีสมบัติของพระราชาโอรสเวลาที่พระองค์จะต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็ต้องสละราชาสมบัติไป เวลาไปบวชไม่สามารถเอาสมบัติไปด้วยไม่สามารถเอาปาสาสามเรือ่อติดตัวไปด้วยต้องไปตัวเปล่าๆนั่นแหละถึงจะสามารถไปรักษาศีลให้บริสุทธิได้สามารถที่จะไปภาวนาเพื่อทาจิตใจให้สงบได้สามารถที่จะเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นโทษของการการมีความอยาก ให้เห็นโทษว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดและเห็นวิธีที่จะกำจัดความอยากได้ต้องมีปัญญาต้องมีเวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่คอยดึงจิตใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือทางสู่การหลุดพ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ ถ้ฟังใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากสําหรับพวกเราทุกคนเพราะพวกเราทุกคนนี้อยากจะหาความสุขสบายทางร่างกายกันแต่การออกปฏิบัตินี้ท่านให้สละความสุขทางร่างกายไปให้หมดเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นเป็นอุปสรรคต่อการเจริญทางด้านจิตใจนั่นเองถ้าอยากจะเจริญทางด้านจิตใจนี้ต้องสละความสุขทางร่างกายถึงจะสามารถที่จะ จเจริญทางจิต ใ, ใจได้เพราะถ้าเรายังห่วงความจเจริญทางร่างกายมันก็จะไม่มีเวลามาส่งเสริมความจเจริญทางจิตใจเราก็ต้องมาผะวงกับการมาเลี้ยงดูร่างกายผะวงกับการหาความสุขทางร่างกายอย่างที่เรากําลังทํากันอยู่ขณะนี้ใช่ไหมเราต้องทํางานทําการกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละห้าวันส่วนอีกสองวันเราก็มีวันหยุด เราก็ยังไปหาความสุขทางร่างกายกันต่อเราจึงไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขความเจริญทางจิตใจได้เลยถ้าเราไม่ยุติการ อ, าอยู่แบบที่เราเคยอยู่กันแบบนี้ฉะนั้นสําหรับคนทั่วไปจึงเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของยากมากแต่ถ้าสําหรับคนฉลาดบางคนคนที่เห็น ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสียสละว่าได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลคือเสียสละความสุขทางร่างกายแต่ได้ความสุขทางจิตใจที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสุขที่ถาวรถ้ามาถ้าคิดด้วยถ้าคิดแบบนักธุรกิจก็จะคิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านักธุรกิจเขาก็กล้ายอมลงทุนอย่างสมัยนี้เราคงเห็นหม เวลาเขาประมูลรถไฟฟ้ากันนี่เขายอมลงทุนกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านพราะเขาคำนวณออกแล้วว่าประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการลงทุนนี้มันมากกว่าเงินลงทุนที่เขาลงทุนไปเสียหมื่นล้านแสนล้านแต่ได้กลับมาเป็นล้านล้านนี้ทำไมจะไม่ทำกันแต่สำหรับคนอย่างพวกเราคนโง่ อ, งอย่างพวกเรานี่คิดคำนวณไม่เป็นก็เสียไายเงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านเก็บไว้ใช้ไม่ดีกว่าหรอ ไปลงทุนเราไม่รู้ว่าลงทุนเราจะได้เท่าไหร่เพราะเราคิดไม่เป็นว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนนี้มันมากน้อยเพียงไหรนี่คือความรู้สึกของคนทั่วไปของคนทั่วไปที่ไม่เห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนกับการปฏิบัติธรรมต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าได้ประโยชน์อย่างมหาศาลมากกว่าสิ่งที่เราลงทุนไป ลงทุนไปสิบบาทแต่ได้กลับมาเป็นแสนล้านอย่างนี้ทำไมจะไม่ลงทุนกันอคนถึงลงทุนซื้อหวยกันไหมใช่ไหมเพราะาคิดว่าซื้อสิบบาทเดี๋ยวก็ได้หกล้านได้สามล้านเขาเลยกล้าลงทุนกันไหมคนทําไมกล้าแทงหวยกันเพราะเขาคิดว่าเขามีโอกาสที่จะได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นเองพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรามาศึกษาพระธรรมคําสอนฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆ เราจะเห็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นประโยชน์อันมหาศาลคุ้มค่าก่อการเสียสละของเราเล็กๆน้อยๆเสียสละความสุขทางร่างกายเล็กๆน้อยๆแต่ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัตินี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่มหาศาลที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกที่จะเหนือเท่านัติสันติบะลังสุขขัง สอื่นในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสงบไม่มีมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นที่เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราสามารถเข้าใจหรือเข้าถึงประโยชน์สุขอันนี้ได้เราก็จะกล้าทุ่มเทกล้าเสียสละสิ่งต่างๆจะกล้าได้เราก็ต้องชิมรสแห่งธรรมก่อนถ้าเรายังไม่ได้ชิมรสแห่งธรรมเราก็ยังจะ กล้ากลัวกลัวอยู่แต่พอเราได้รับสัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วรับรองได้ว่าเราพร้อมที่จะทุ่มเทเต็มที่เหมือนกับเวลาเราจะซื้อรถยนต์นี้ก่อนจะซื้อนี้เราต้องไปลองขับกันก่อนหรือต้องศึกษาดูว่ารถยนต์คันนี้มีคุณสมบัติอย่างที่เราต้องการหรือไม่พอเรามีความมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการทีนี้เราก็พร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วไม่ว่าจะกี่ล้านเราก็ยินดีที่จะจ่าย อันนี้เราต้องลองขับรถหรือต้องลองลิ้มอาหารที่เราอยากจะรับประทานว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าพอได้ลิ้มรสแล้วพอเรารู้ว่าอร่อยจริงจา์ละกี่พันเราก็ยินดีจ่าย น, นี่ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมเราต้องลองปฏิบัติ ด, ดูลองมาหยุดวันหยุดทำงานวันเสาร์วันอ า, าทิตย์ลองไปอยู่วัดไปหัดนั่งสมาธิกัน เดี๋ยวไม่นานเราก็จะได้สัมผัสกับความสงบพอได้สัมผัสกับความสงบเป็นครั้งแรกแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าลถแห่งธรรมนี้เป็นอย่างไรลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงเป็นอย่างไรมันก็จะทำให้เรามีความลังใจมีความพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงลดแห่งธรรมอันนี้ได้ต่อไปนี่คือประโยชน์ต่างๆที่ท่านจะได้ จากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้จะได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะหายสงสัยในเรื่องของธรรมต่างๆและจะมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องจะมีจิตใจที่สงบที่ผ่องใสถ้าฟังด้วยศีลสมาธิและปัญญา คือฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตซาเพโปรเอนโตสังกปายันโทปันนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารโควินาสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวัฒนศีิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่มาถามเองก็ส่งเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ยอดทางเฟซบุ๊กมีสามร้อยเจ็ดสิบท่านค่ะ y o u ู u หนึ่งร้อยสิบแปดวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยห้าสิบท่านค่ะรวมเป็นหกร้อยหกสิบสี่ท่านค่ะ มีคำถามเลยเดี๋ยวขอผ่านพูดผ่านทางไมโครโฟนหน่อยจ้ะอ่าหนูจะ อ, อ่าพูดกล้กปาเปิดแล้วค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าตอนที่นั่งสมาธิแล้วเราไม่ได้ง่วงไม่ได้เพลียแต่พอนั่งแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในภวังเหมือนหลับโดยไม่รู้ตัวแต่พอตื่นแบบพอลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าถ้าง่วงนักก็จะหลับเลย ก็พยายามที่จะหลับแบบหลับแต่ก็ไม่หลับแต่พอตั้งใจจะนั่งก็จะเป็นพะวงแบบนั้นนะคะจะแก้ด้วยวิธีไหนคะก็อย่าเพิ่งไปนั่งลุกขึ้นมาเดินก่อนเดินจงกรมก่อนแทนที่จะนั่ง <c oughs> พุทโธก็เดินพุทโธแล้วเดินดูเท้าซ้ายเท้าวขวาไปก่อนเพราะสติเรามีกําลังน้อยพอนั่งเฉยๆจิตมันจะเคริมแค่ <c oughs> เราต้องให้มีการเคลื่อนไหว เวลาเคลื่อนไหวจิตต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็จะต้องก็จะมีสติมากขึ้นเห็นถ้าเรายังนั่งเคลิม อ, อยู่เราก็ลุกไปเดินก่อนเดินจงกรมเดินไปเดินมาขณะเดินก็พุทธูไปเลือดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดินไปจนก้ะั่งรู้สึกว่าเราตื่นเต็มที่แล้วก็ลองกลับไปนั่งใหม่ถ้ายังเคลิม อ, อยู่ก็ต้องกลับไปเดินใหม่หรือก่อนจะมานั่ง ควจะหัดจเจริญสติไว้ให้มากๆเตรียมตัวไว้ก่อนเช่นพุโทโธไปเรื่อยๆเดินขึ้นมาก็ลืมตาก็พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือทําให้พุโทโธก็ให้อยู่กับร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรก็ทําไปกับร่างกายอย่าทําไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ กำลังอาบน้ำก็ให้อยู่การอาบน้ำกําลังล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นไปอย่างนี้เราจะสร้างสติขึ้นมาที่จะทำให้เราไม่เคลิมเวลาที่เราจะนั่งสมาธิค่ะ ข, ข, ขอบคุณแสดงว่าสติเรายังมีกําลังน้อยนะต้องพยายามฝึกสติให้มากมากก่อนขอบคุณค่อะอยากจะถามเลยเดี๋ยวส่งไปไปหน่อย ก, การน้ำเสการหลวงพ่อครับเออตอนที่ภาวนาแล้วพอบริกรรมไปแล้วมันรู้สึกว่ามันพลึบแล้วก็สว่างจ้าอย่างนี้นี่ใช่จิตรวมไหมครับถ้าสว่างจ้าก็ก็น่าจะรวมแต่จะรวมมากรวมน้อยถ้ามีความรู้สึกตัวเสมีสติสัมปชัญญะ ก็ให้ร si ู้เฉยๆไปให้สักแต่ว no no ่ารู้ไปไม่ต้องไปสนใจกับอะไรให้ถ้ามันสงบปั๊บมันสว่างจ้าแล้วก็มีแต่ความว่างก็ใช้ได้จิตเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมีความรู้สึกมีความสุขมากอันนั้นก็เรียกว่าจิตรวมตอนนั้นนี่ก็คือจะไม่มันจะต้องไม่คิดอะไรอย่างไรใช่ไหมบรรยุคิด มันจะเหลือแต่รู้รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ในขณะนั้นตัวรู้จะอยู่เต็มที่ก็ให้อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆ่พยายามประกับประกองให้มันอยู่นั่นไปนานๆเพราะมันเป็นที่จะทําให้เราอดับความทุกข์ยากลําบากต่างๆของใจได้ต่อไปเวลาเราใจเราวุ่นวายเราก็เข้ามาหลบในที่สงบได้ ทีนี้บางครั้งมันก็จะไม่ใช่การสว่างจ้าแต่ก็จะเป็นลักษณะอื่นอย่างนั้นก็ได้ไดใช่ไหมใ่มันไม่จาเป็นจะต้องสว่างทุกครั้งไปอาจจะเป็นครั้งแรกๆเท่านั้นเองที่สว่างต่อไปมันจะใช้มันจะว่างไปเฉยๆมันจะสงบไปเฉยๆครับเพราะว่าบางทีมันก็จะค่อ ย, อยๆเงียบไปเองอ่ามันเป็นได้แบบฉับพลันหรือเป็นแบบแบบเป็นขั้นใบก็มีเป็นเหมือนค่อยๆสงบไปทีละขั้นเหมือนเปลี่ยนเกียร์รถเนี้ย บางทีมันก็พวดพาดพุบลงไปเลยก็มีแต่มันจะสงบแบบไหนมันก็พอถึงจุดที่สงบแล้วมันก็เหมือนกันมันเด้งสบายเ<ม>บาอกเบาใจสบายอกสบายใจไม่มีความหนักอกหนักใจกับสิ่งใดเลยครับขอบพระคุณครับนลวงพ่อพยายามทำให้มากทำให้บ่อยจะได้ชำนานเหมือนกับขับรถเนะี่ย ขับรถให้บ้างให้บ่อยต่อไปเราก็ขับได้ชํานาญไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็วถ้าขับยังไม่ชํานาญไปไหนมาไหนมันก็เกือกกเกอยูอออ่ต่อไปพอาจารย์ครับในเหมือนกับในช่วงที่สงบนะครับในสมาธิมอนเหมือนกับชาร์ตแบบไม่เตียมนะครับเหมือนกับต้อง ต้องต้องเติมต้องเติมต้องเติมอาการเหมือนเป็นความรู้สึกอย่างนี้นะครับใช่ใชก็ใช้สติต่อไปดูลมต่อไปหรือจดจ่อเฝ้าดูจิตอย่าให้มันคิดปรุงแต่ง<ม>ถ้ามันสงบแล้วก็คอยใช้สติคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันคิด เ, เวลานั่งภาวนาสักพักหนึ่งค่ะจะมีเหมือนแสงไฟมาจอตรงตา แต่เราพยายามสู้กระแสไฟนี่คือทําถูกไหมคะอย่าไปสู้กับมันอย่าไปสนใจมันเราใหอ้อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจถ้าสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ใจเราไม่สงบถ้าเราอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจแล้วใจเราจะสงบแล้วจะไม่กังวลไม่วุ่นวายไปกับแสงหรือเสียงหรือสีอะไรต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้ ก็คือให้ภาวนาอให้ภาวนาไปเรื่อยๆมีคำถามจากบนเขานะคะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งคำว่าศีลรักษาเราเป็นอย่างไรเจ้าคะขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายยกตัวอย่างเพื่อดิฉันผู้ด้อยปัญญาได้เข้าใจด้วยค่ะอ๋อคนที่มีศีลก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางเลย ศีลรักษาเราป้องกันไม่ให้เราต้องไปรับโทษต่างๆเพราะการทำผิดศีลมันมีโทษตามมาไปฆ่าคนเดี๋ยวก็ถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางถูกประหารชีวิตได้พอเรารักษาศีลไม่ฆ่าโดยเด็ดขาดเราก็จะไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไม่ถูกฆ่าตายไม่ถูกประหารชีวิตเ น, นีศีลรักษาเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ และเวลาตายไปศีลก็จะรักษาเราไม่ให้ไปรับกรรมในอบายไม่รับผลบาปในอบายศีลจะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ให้เราไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายไม่ให้เราไปตกนรก น, นี่คือความหมายของศีลรักษาเราถ้าเรารักษาศีลศีลก็จะมารักษาเราคำถามที่สองค่ะกระทำอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ลูบคลำศีลออก็ต้องเห็นว่าการทําศีลการรักษาศีลนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์มากกว่าเงินทองเข้าของที่เราจะได้จากการละเมิดศีลเช่นเวลาเรามีคนมาเสนอให้เราเงินทองเราแต่เราต้องไปทําบาปอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่เห็นศีลว่าเป็นศีลที่จะรักษาเราคุ้มครองเรามากกว่าเงินทอง เงินทองรักษาคุ้มครองเราไม่ได้เวลาติดคุกติดตารางเวลาถูกประหารชีวิตหรือเวลาตายไปก็เงินทองก็ยับยั้งการไปเกิดในอบายไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ลูบําสินคือเรามีความมั่นใจว่าเราโผล่เด็ดตีนขาดอย่างไรเราต้องรักษาศีลยอมตายดีกว่าไปทําบาเพื่ออยู่เช่นบางทีเราอดอยากขาดแคลน ต้องไปยิงนกตกปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารคนที่เห็นคนที่ไม่รูบคำศินนี้จะไม่ไปทําบาปจะยอมอดตายหรือไปหาอาหารแบบที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์เช่นไปปลูกผักปลูกอะไรกินหรือไปเก็บขยะแล้วเอาขยะไปขายแลกเอาเอาเงินไปซื้ออาหารแต่จะไม่ไปลักไปขโมยเงินไปไม่จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดผู้ที่ไม่ลูบคำสินก็คือพระ โสดาบันเนี่เองโสดาบันท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าถ้าทำบาปแล้วจะมีโทษตามมาตั้งแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งหลังจากที่ตายไปแล้วก็ต้องไปรับผลบาปต่อในอบายท่านเห็นชัดเจนท่านก็เลยไม่ลูปคำศีลท่านจะรักษาศีลยิ่งกกว่าชีวิตคำถามต่อไปนะคะบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิ คือตอนที่จิตสงบใช่ไหมคะหรือตอนที่เกิดปัญญาทางธรรมคะ่ะอ๋อนั่งสมาธิไม่เกิดปัญญานั่งสมาธิก็ให้เกิดความสงบปัญญาจะเกิดต้องเกิดจากการพิจารณาธรรมนั้นบุญที่เกิดจากสมาธิก็เกิดในขณะที่จิตสงบในขณะที่นั่งดูลมพุทโธพุทโธนี้ยังไม่เกิดบุญเพราะกําลังสร้างบุญเหมือนกับกําลังหุงข้าว ข้าวยังไม่สุกยังกินไม่ได้ยังไม่เป็นบุญยังไม่เป็นอาหารต้องหุงไปจนกว่าข้าวจะสุกแล้วถึงจะสามารถกินข้าวได้สมาธิก็เหมือนกันนั่งสมาธิไปถ้าจิตยังไม่รวมเข้าสู่อัตถะปนาหรือคันดิกะสมาธิก็ยังไม่ได้บุญคำถามต่อไปการบำรุงพระศาสนาจําเป็นหรือไม่ ที่จะต้องสร้างกิจการใหญ่โตขึ้นมาเพื่อให้ได้ปัจจัยจำนวนมากไปธนุบำรุงพระศาสนาหรือสร้างสถานปฏิบัติธรรมและถือว่าเป็นกิเลสหรือไม่ได้บุญมากน้อยเพียงใดการทำธนุบำรุงศาสนานให้ทำตามกำลังของเราเรามีกำลังเท่าไหร่เราก็ทำไปคือเรามีเงินส่วนเกิน ที่เหลือจากการที่เราใช้กับการเลี้ยงดูปากท้องของเราแล้วเงินนี้ก็จะเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเอาไปทำให้เกิดโทษกับเราก็ได้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์กับเราก็ได้ทำยังไงให้เกิดโทษก็เอาไปใช้กับกิเลสตัณหาถ้าเอาไปใช้กับการทำบุญทำนุบบารุงพระพุทธศาสนาตามกำลังตามความจำเป็นอันนี้ก็จะเป็นบุญไม่เป็นกิเลส แต่ถ้าอยากจะสร้างฐาวบุและวัตถุใหญ่โตแต่เราไม่มีเงินพอเราก็ไปหาเงินมาด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิเลสยนันไม่ต้องทําบุญแบบนี้ทําบุญตามกำลังมีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยแล้วก็ดูประโยชน์ที่ควรจะทําว่าควรจะทําอย่างไรต้องรู้ว่าสิ่งใดเป็นเหมาะสมกับศาสนาสิ่งไหนไม่เหมาะสม สิ่งที่เหมาะสมกับศาสนาก็คือการสนับสนุนให้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทัดสร้างถาวรและวัตถุใหญ่โตอันนี้ให้สนับสนุนพระก่อนใหสนสน้สนับสนับสนับสนุนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีที่อยู่อาศัยที่สงบไม่ให้มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ไม่ลำบากท่านจะได้มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่อันที่สองก็ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทำธรรมทานจากหนังสือธรรมะอะไรต่างๆเหล่านี้หรือสนับสนุนที่ไหนมีการแสดงทำขาดอุปกรณ์ที่จะช่วยเผยแผ่การแสดงอย่างที่เราำทาตอนนี้ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ได้จากผู้ที่เขาเมตตาบอยจากมาให้ซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องคือให้สนับสนุนสองส่วนสนับสนุนพระธรรมคำสอนสนับสนุนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะนี่คือเนื้อหาของศาสนา นืตัวจริงของศาสนาอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่ศาลาอันใหญ่โตวิจิตรพิสดารสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถที่จะสอนให้ผู้ต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นได้มีสองอย่างเท่านั้นที่จะทําได้ก็คือพระพุทธคือพระธรรมคําสอนและพระปฏิบัติดีไปปฏิบัติชอบทั้งหลาย อย่าให้ทำนุบำรุงตรงนี้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องศาลาอันใหญ่โตโบสถ์อันใหญ่ตโตเจดีย์อันใหญ่โ ต, ตแต่ถ้าได้ทํานุบำรุงก็ทําแล้วได้ทํานุบำรุงพระสงฆ์แล้วอยากจะสร้างอะไรใหญ่โตก็สร้างไปไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ห้ามแต่โคจะมาทีหลังคจะสร้างทำนุเรื่มธรรมะกับเรื่องพระสงฆ์ก่อนเพื่อที่จะได้ ประครับประคองศาสนาให้อยู่ต่อไปได้ไม่มีใครทำลายพระธรรมพระสงฆ์ได้ถารวรและวัตถุนี้ทำลายได้ง่ายกว่า<ม>เดี๋ยวเขาเบิดโกรธเราเขาเาระเบิดมาใส่ยัดตูมเดี๋ยวโบยก็พังไปแล้ ว, <ม>ลวจะมาฆ่าพระสงฆ์ทุกรูปนี่ฆ่ายากจะมาทำลายพระธรรมคำสอนองค์พระเจ้าที่ได้ศึกษาได้จดจำกันมานี้ทำลายได้ยากกว่าฉะนั้นขอให้เราเน้นไปที่ คำนุบบำรงศาสนาที่พระธรรมกับพระสงฆ์กันคำถามต่อไปนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูอยากสอบถามว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาหนูพยายามเจริญเมตตาและสงสัยว่าเราควรพิจารณาอย่างไรที่จะไม่ใช้เมตตาแบบโงโง่และใช้เมตตาแบบปัญญาเจ้าค่ะเพราะหนู ลงโทษพนักงานในบริษัทโดยสั่งพักงาน15วันจนเขาลาออกซึ่งเขามีความผิดในการด่าหัวหน้างานก็คือตัวหนูเองซึ่งในตอนแรกหนูไม่เอาเรื่องเขาและให้อภัยทุกอย่างเพราะคิดว่าเราควรเมตตาต่อเขาแต่สุดท้ายหนูก็ตัดสินใจลงโทษเขาเจ้าค่ะ ก็ความเมตตานี้พุ่งไปที่ประโยชน์สุขของผู้ที่ร <c oughs> ับความเมตตาจากเรา <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะให้ประโยชน์สุขและไม่ทำให้เกิดโทษได้ก็นี่เรียกว่าปัญญาเช่น <c oughs> สมมติว่าพนักงานคนนี้เขาด่าเราเพราะเขาโกรธเราหรือเมาเหล้าอารมณ์เสียเขาหักห้ามจิตใจไม่ได้แต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายต่อบริษัท เพียงแต่ไม่ชอบโกรธเราเท่านั้นเองอันนี้เราน่าจะให้อภัยเขาหรือถ้าจะลงโทษก็ลงโทษแบบว่าคาดโทษเอาไว้ก่อนบอกอย่าทำอย่างนี้อีกนะถ้าทําอย่างนี้ต่อไปก็จะให้ออกจากงานอย่างนี้เรียกว่าเมตตาแต่ถ้าจะล่างแค้นกันนะอาฆาตพยาบาทกันฟันต่อฟันตาต่อตาด่าเราดูถูกเราไม่เคารพเราก็ต้องออกอย่างเดียว อย่างนี้มันก็แบบว่าไร้ความเมตต า, างนั้นก็ต้องดูผลที่จะเกิดขึ้นจากความเมตตาของเราว่าเกิดความเสียหายหรือไม่ระ ง, งับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้าต้องทำอย่างนี้ก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายแต่ถ้าไม่มีความเสียหายให้อภัยเขาได้ก็ให้อภัยเข้าไปหรือคาดโทษเขาไว้ว่าอย่าอย่าทำอีกต่อไป ถ้าทำคราวหน้านี้ไม่มีข้อแม้แล้วเตือนแล้วบอกให้รู้แล้วถ้ายังทำซ้ำอีกก็เถอะเดี๋ว่าแสดงว่าดื้อดันหรือไม่แคร์ไม่สนใจพร้อมที่จะออกเงนั้นก็ให้เขาออกไปคำถามต่อไปจากคุณพุทธพรเรียนถามท่านอาจารย์ครับสติสัมปชัญญะกับผู้รู้เป็นอันเดียวกันหรือไม่แต่ผู้รู้ มีความละเอียดมากกว่าใช่หรือไม่คือผู้รู้นี้รู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะรู้อยู่กับเรื่องไหนผู้รู้ที่ไม่มีสติก็จะรู้กับเรื่องสเปะสปะรู้เรื่องนั้นแล้วก็มารู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้แล้วก็ไปเรื่องโ น, น้นคือเรื่องของผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะใจจะลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะก็จะสามารถควบคุมบังคับให้รู้เฉพาะเรื่องได้ เป็นให้รู้อยู่กับพุทธโธพุทธโธอย่างเดียวให้รู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอันนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็รู้เรื่อยเปยื่อยเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นเรื่อยเปื่อยไปเรื่อ ย, เ ร, อยเรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะคำถามต่อไปจากคุณอูรักยิ้มกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ลูกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญลูกทำบุญใส่บาตรทุกวันพระที่วัดใกล้บ้านบางวันมีภารกิจต้องรีบกลับไปไม่ได้อยู่กล่าวคำถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์ใส่บาตรเสร็จก็กลับเลยอยากทราบว่าบุญที่ทำไปแตกต่างจากที่เราได้กล่าวคำถวายพัตาหารและพระสงฆ์กล่าวคำอนุโมทนาหรือไม่เจ้าคะก็เหมือนกับอาหารที่มี ผักชีลอยหน้าหรือเปล่าท่านนี่ถ้าได้ทําได้รับพรได้กล่าวคําถวายก็เหมือนได้ว่ามีผักชีลอยหน้าอาหารแต่ถ้าใส่บาสเสร็จกลับบ้านไม่รอรับพรก็เหมือนได้อาหารแต่ไม่มีผักชีลอยหน้ า, าเราต้องการอะไรเราต้องการผักชีหรือเราต้องการอาหารถ้าเราต้องการกินอาหารไม่มีผักชีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไร งั้เวลาเราทำบุญไม่มีการกล่าวคำถวายไม่มีการรับพรนี้ไม่ไม่สำคัญอะไรเพราะว่าเราได้บุญได้อาหารจากการการทำบุญทำทานการเสียสละของเราแล้วส่วนถ้าจะอยู่รับพอรอยู่กล่าวคำถวายอันนี้ก็จะได้ของแถมคือได้ผักชีได้แตงกวาได้มะเขือเทศที่เขาจัดอยู่ เวลาที่เราเสิร์ฟอาหารกันให้มันดูสวยงามน่ากินขึ้นเท่านั้นเองแต่ประโยชน์จริงๆไม่มีอะไรคำถามต่อไปจากคุณสัชชีธรเวลาเราจะไปปฏิบัติธรรมแต่ยังห่วงว่าคนอื่นจะบ่นว่าให้เราตามหลังเราแต่เรายังไม่แต่เรายังฝืนไปเราจะบาปไหมคะก็เวลาเราไปเที่ยวคนอื่นเขาไม่ได้ไปเที่ยวเรา เราเราไปแล้วเขาบาปเราเราจะบาปหรือเปล่าถ้าเราไปเที่ยวแล้วไม่พาเขาไปเที่ยวไม่บาปหารอกเราทำอะไรมันก็เรื่องของเราบาปอยู่ที่ว่าเราทำอะไรถ้าทำบาปมันก็บาปคนจะว่าหรือไม่ว่ามันก็บาปถ้าทำบุญคนจะว่าหรือไม่ว่ามันก็บุญการไปปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นบุญใครจะว่าไม่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันมันก็เป็นบุญอยู่ดีการไปเที่ยวนี่เป็นกิเลส ใครจะว่าไม่ว่ามันก็เป็นกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทาของเราบาปหรือบุญคำถามต่อไปจากคุณชาตินีโชคดีที่สุดแล้วมีสองคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งการอธิษฐานให้ได้ทำเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลคือการตั้งใจหมั่นทาทานศีลสมาธิเจริญปัญญาเข้าใจถูกไหมคะ ถูกต้องอธิษฐานนี้ให้อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลอย่าไปข อ, อนิพานขอสวรรค์เพราะว่าสวรรค์หรือนิพานเกิดจากเหตุให้เราไปตั้งอธิษฐานที่เหตุว่าจะขอสร้างเหตุที่ให้เกิดสวรรค์เกิดนิพานขึ้นมาอยากได้สวรรค์ก็ให้ทําบุญรักษาศีลห้าอยากได้นิพานก็ให้ไปบวชอย่างนี้ให้ตั้งอยู่ตัวที่เหตุแล้วไปทําตามที่เราตั้ง คำถามที่สองถ้าเราอธิฐานขอให้มีสัมมาทิฏฐิทุกภพทุกชาติต้องทำเหตุอย่างไร อ, อ๋อขอไม่ได้ไงถ้าอยากมีถ้าอยากมีก ม, มีสัมมาทิฏฐิก็ต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆหนึ่งในห้าอันที่สอของการฟังธรรมก็คือจะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเกิดความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าอยากได้ความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องจิตอธิษฐานว่าขอฟังเทศฟังธรรมทุกวันอย่างนี้จะได้บังคับให้เราฟังเทศฟังธรรมทุกวันอย่าไปขอให้เกิดสัมาทิฐิโดยไม่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมมันทำยังไงก็ไม่มีวันที่จะได้สัมาทิฐิหมดแล้วเหรออันนี้หมดเวลาพอดีวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัต